มาเป็นกิริยาเดยียครับทาดการ น, นี้ไม่ได้นางก็พูดใหเจ้าไปนิพ า, า, านนิสสาวทั้งหลายอนิพานไปก็คือว่าเครื่องมือนั้นบรรลัยใช้ได้เท่านั้นม <c oughs> ถึงวาล่าแล้วเวก็เป็นไปตามสภาพของมันมีเป็นมาตั้งแต่การไหนไหน เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคำว่านิจังทุกขังอนัตตาจริงตีก ร, ราอย่างความจัดความจริงไว้ประจำโลกทั้งสามนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากสภาพทั้งสามนี้หากจะพิจารณาตามอัตตามธรร ม, มซึ่ง เวลานี้ทำก็กำลังมีอยู่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้ว่าเป็นววราที่รือเป็นเวลาที่าศาสนายังมีอยู่การชี้แจงบอกความจัดความจริงตามสิ่งที่เป็นจริงทั้งหลายต้องมีอยู่ก็พอจะเข้าใจได้สำหรับผู้สนใจนำทมเข้ามาสอดสองแยกแยคลี่คลายออก จะได้เห็นความจริงตามลำดับลำดาที่พระพุทธเจา้าประกาศไว้โดยไม่สงสงสัยนอกจากจให้พิเรตเหยียบย่ำทำลายปิดหูปิดตาปิดจิตปิดใจไว้เสียอย่างเดียวเท่านั้นแม้จะสัมผัสสัมพันธ์อะไรโดนจนกระทั่งศรีรษะแตกขาหักถึงขนาดตายก็ไม่รู้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 รู้เหตุรู้ผลรู้ความตัดความจริงแล้วสนัดปัดสิ่งที่เกี่ยวข้องพวัวพันคือมันเชื่อเองออกไปดูอิสระของจิตตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีไม่มีหากว่าเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สนใจในอัตในธรรมนำเข้ามาแก้ไขจิตใจของตน แล้วจะไม่เห็นของจริงซึ่งเต็มซึ่งประกาศกระเทือนอยู่ทั่วสรนาพาง ร, ร่างกายทั้งขันห้าและจิตใจเราไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงไปบ้างเลยมีแต่ความจริงล้วนๆในธาตุในขันอันนี้ความจริงก็คือว่าทุกข์ขั์นั่นฟังสิก็คือความจริงอันหนึ่งสมุทยัทยยสัต์ก็มีก็คือความจริงอันหนึ่งท้ายกศัตว์เน มกักษัตริ์ขึ้นมาเพื่อสอดส่องมองสิ่งที่เป็นสัจจะด้วยกันทำไมจะไม่ทะลุปุโปรงออกไปถึงนิโรธทษัตย์คือความดับสนิทแห่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเรามีอยู่อย่างนี้นี่แหละเครื่องประกาศเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีอยู่ว่า พระพุทธเจ้านั้นจริงมีจริงสอนโลกจริงรู้จริงเห็นจริงสอนโลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้จริงโดยไม่ต้องสงสัยทุกทุกพระองค์ท่านสอนแบบเดียวกันเพราะสัจธรรมมีอยู่เอาธาตุเอาขันเอาจิตใจนี้เป็นเครื่องประกาศยืนยันกันได้เลยปฏิเสธกันไม่ได้เรื่องสัจธรรมที่เต็มอยู่ในขันนี้สัจธรรมนี่แลเป็นทางเดิน เพื่อความุอดทนศัจจธรรมนี่แลเป็นเครื่องยืนยันแห่งความจริงทั้งหลายและเครื่องยืนยันของผู้รู้รู้สัจจธรรมนี่คือใครถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจะเป็นใครเล่ารู้สัจจธรรมซึ่งมีเต็มอยู่ภายในร่างกายคือขันห้ากองรูปกองเวทนาทัญญาสังขารบินยานด้วยสติปัญญาญานทั้งหลายนี่คือฝ่ายมาก แยกแยะลงไปตรงนี้ทําไมจะไม่รู้ทําไมจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาดั่งเดิม น, นอกจากให้กิเลสเอกไปถั้งหลงเสอย่างเดียวเท่านั้นอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สัมผัสสัมพันธ์นี้ตั้งแต่กิเลสกอบโผลเอาเรื่องผลประโยชน์ของมันเสียโดยไถ่เดียวแล้วสุดท้ายก็ามาทําลายตัวเองนั่นแหละไม่ทําลายผู้ผู้หนึ่งผู้ใดทำลายตนก่อนอื่นแล้วกระจายออกไปให้เป็นความเสียหาย แก่ผู้อืนอยู่ด้วยด้วยความเห็นที่เป็นพิษเป็นภัยของต น, นเหงื่อกิเลสมันแหลมคมผมเคยสอนพวกท่านทั้งหลายไว้นานเท่าไหร่ตั้งแต่ออกสังคมมานี่ได้สามสิบกว่าปีนี่แล้วนี่ผมเคยได้พูดออกปากซะเลยก็ได้ตั้งแต่เริ่มแรกในขั้นที่ได้เข้าใจในรรเบื้องต้นตามความตะเกียบตะกายของตนที่เป็นมา ถามท่านเพทงนี่แหละเป็นองค์แรกไม่ได้ถามผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ดอยธรรมเจดีวัดดอยธรรมเจดีนั่นหละท่านเทงอ่ะนี่จะเล่าอันหนึ่งให้ท่านฟังนะ่ผมมาอยู่สถานที่นี้นี่ก็เล่าความจริงออกมาเลยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่จะไม่แจง้ง แต่เป็นเรื่องสัจธรรมส่วนละเอียดสุดทั้งสมุทยัยทั้งมรรคสัตย์เป็นความละเอียดสุดของของสัจธรรมทั้งสีนี้ให้ท่านเพลงฟังสุดจิตสุดชิดสุ ด, สดทั้งเหตุสุดทั้งผลให้ท่านฟังโดยเฉพาะไม่มีใครเลยวันนะั้นมีสองต่อสองตนะั้นแล้วพอจบลงไปแล้ว คำพูดเช่นนี้ซึ่งท่านเคยติดสอยห้อยตามผมมานี้เป็นเวลานานทั้งอยู่กับหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราทั้งเที่ยวโดยลําพังเช่นอย่างไปเที่ยวด้วยการพึ่งกลับมานี่แหละว่าแล้วคําพูดเช่นนี้ผมไม่เคยพูดให้ท่านฟังใหม่ท่านก็ยอมรับบอกไม่เคยได้ยินนี่จะให้ท่านตั้งใจนะถ้าท่านจะตั้งใจอันนี้ไม่ใช่เป็นคําโกหกเป็นคําหลอกลวง เป็นคำถอดออกมาจากหัวใจที่เดะเกียวติกายมาเต็มกาลังความสามารถทั้งเหตุและผลยึ่แได้ออกมาและพูดให้ท่านฟังนี่เป็นคนแรกที่เดชระบายให้ฟังเหรือกระซิบให้ฟังข้อสองสองต่อสองโดยเฉพาะนี่ น, นี่คืออะไรที่พูดเหล่านี้พูดเพื่อความออววดท่านทั้งหลายหรือ นี่พูดถึงเรื่องความยืนยันในความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในขันห้านี้เองรูปเวทนาธัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่คือเครื่องมือเป็นปได้ทั้งเครื่องมือของธรรมเป็นปไา้ทั้งเครื่องมือของสมุทยัยคือกิเลสประเภทต่างๆนห้มันจะสร้างผลประโยชน์ของมันขึ้นมาโดยอาศัยขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องรรมจะสร้าง ผลสร้างประโยชน์เพื่อสังหารกริเลสให้ถึงสมุทเฉตตรารานได้แก่มรรคผลนิพพานเต็มภูมิก็ต้องอาศัยขันตั้งห้านี้เป็นเครื่องเป็นเครื่ อ, อ, อยงยืนยันเมื่อทราบกาจะทราบอยู่ในวงขันนี้ซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นทรงยืนยันพระองค์แล้วนำธรรมชาติอันนี้ออกประกาศทำสอนโลกซึ่งไม่มีใครที่จะค้านได้เลย เพราะเป็นความจริงเส ม, มอกันหมดนอกจากไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นถ้าเรานํานําอันนี้ออกไปประกาศสอนโลกทีนี้เมื่อได้ยังสติปัญญาซึ่งเป็นมักษัตริย์เข้าไปที่จุดนี้อันเป็นความจริงด้วยกันจริงต่อจริงเข้าถึงกันอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วทําไมจะไม่ประกาศความบริสุทธิ์ความจริงของตนออกมาอย่างร้อยเปอร์เซ็นและยืนยันพูดได้อย่างเต็มปากรู้ได้เต็มหัวใจเรา นี่แหละเครื่องยืนยันของศาสนาว่าศาสนาจริงขนาดไหนใครเป็นผู้พาศาสนาศาสนาให้จริงในพุทธศาสนาของเราก็คือองค์ปัจจุบันนี้ได้แก่พระพุทธเจ้าสมณะโครมเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายระหว่างแห่งขันกับปิดซึ่งรวมกันอยู่นี้ หรือตีสัจธรรมทั้งสี่นี้แตกกระจายออกถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเปิดเผยมรรผลนิพพานขึ้นมาให้เต็มเต็มส่วนได้แก่ความบริสุทดพระไทยความเผยสุดใจของพระเจ้าลสาวกขึ้นมาอย่างเต็มภูมินี่แหละเครื่องยืนยันแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อความยืนยันแห่งพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทดความยืนยันแห่งพระสงฆ์สาวกขึ้นมาปรากฏภายในใของตนด้วยความเผยสุดแล้ว ประกาศทำสอนโลกก็ประกาศได้อย่างเปิดเผยอย่างอาจฐานอย่างไม่สะทกสถานเพราะเอาความจริงออกประกาศไม่ใช่เอาของปลอมอกมาประกาศทําไมจะไม่ประกาศได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําไมจะไปสะทกสถานนี่ศาสนาเป็นของจริงๆอย่างนี้เป็นตัวพยานได้อย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าจะปริพันธ์นานเท่าไหร่เจ้าของมีอยู่นี่เห็นได้อย่างชัดเจนเจ้าของแห่งเพื่อความเป็นศาสนา และศักดิ์ีพญานแห่งความเป็นศาสดาคืออะไรคืออริยสัจสี่ได้แก่มรรคสมุทัยนิโรธมรรคสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ในวงขันห้ากับจิตเป็นตัวประธานไม่นอกเหนือไปจากขันเราขันท่านจิตเราจิตท่านนี่เลยขอให้พิจารณาที่ตรงนี้แล้วจะยืนยันในความเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งทั้งหลายกี่รอยกี่ล้านพระองค์ก็ตามเถิดจะไม่มีอะไรสงสัย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 เรามาอยู่กันยังไงทุกวันนี้ปฏิบัติกันยังไงศาสนาธรรมนี้ประกาศกลางวานอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีลถมีหย่อนเฉพาะอย่างยิ่งทุกกระสูมไทยยักษักดิ์เป็นสิ่งที่ประกาศกลางวานออกหน้าออกตาไม่สะทกสะทานเพ่งท่านเต็มวัดเต็มว่าเต็มพระเต็มเลยทําไมจึงไม่เอาสติปัญญาซึ่งเป็นมรรคสัตว์ออกปินิพจนาคลี่ขายขันติความอดความทน ทนเพื่ออะไรทนเพื่อต่อสู้กิเลสสังหารกิเลสด้วยอดด้วยทำทําไมจึงไม่ออกมาใชา้สติปัญญามีอยู่หง้มต้มแกงกินได้เหรือบอกแล้วหลายครั้งหลายหนอันนี้ไม่ใช่อาหารประเภทต้มแกงกินเป็นปเครื่องมือสําหรับสังหารกิเลสตัวเป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราทั้งหลายเองทําไมจึงไม่คิดไม่ค้นขึ้นมารีบสุบสอนทุกวันนี้เข้าใจว่าผมมาโกหกท่านทั้งหลายอย่างนั้นหรือยังไม่มีใครสนใจ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 หาความจัดความจริงอะไรก็ไม่ได้เร่ร่อนสุดท้ายเอาชื่อสถานที่อยู่และครูบาอาจารย์ไปขายกินนี่อันหนึ่งไม่สงสัยเป็นตปได้จริงจรทีแรกก็มามุ่งอัดมุ่งทําสุดท้ายกลายเป็นเรื่องโรคเรื่องสงสารเรื่องกิเลสตัณหาไปหมดเลยเรื่องอัดเรื่องทําเลยไม่มีนี่ถ้าไม่คิดแยกแยะจริงๆจะหาเอาตัวไปแม้รอดนะก็ะแบกขันห้าอยู่ด้วยอํนนานาจของกิเลสตัณหาจะว่าเหมือนโลกทั่วไปไม่มีอะไรแตกกันเลย ในวงผู้ปฏิบัติเราแเวลานี้ก็ยิ่งร่อยหลอลงไปครูบาอาจารย์หลายที่เป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเราไม่เคยกราบไหว้บูชาได้เคยเคยได้ยินชื่อยิงเสียงของท่านให้เป็นเครื่องอบอุ่นภายใน จ, จิตใจก็กล้อยหรอลงไปร่อยหลอลงไปจะไม่มีอะไรเหลือจะแล้วเวลานี้แล้วเราจะสร้างเนื้อเนื้อสร้างตัวของเราเพื่อเป็นหลักเป็นเจนขึ้นไปเพราะอาศัยโอวาทคำส่งสอนหรือความอบอุ่นจากท่าน ความพึ่งพิงอาสายท่านมาเป็นทุนทุนหนุนตนขึ้นสู่ระดับแห่งธรรมอันสูงบนโดยลําดับอันเป็นที่พึ่งของตนได้ที่เรียกว่าอาจตาหิตรนนาโถมันจะไม่ปรากฏบ้างหรือเวลานี้มันจะเสร็จสิ้นเป็นเสียทุกสิ่งทุกอย่างเหลือตั้งแต่ร่างของพระของเลนผ้าเหลืองห่มคลุมอยู่เท่านั้นเหรือมันย่มีของจริงอะไรติดจิตติดใจบ้างเหรือศาสนานี้เป็นโมฆะถึงขนาดนั่นเทียวหรือเป็นที่สมบูรณ์ภูนผลยิง อย่างไม่หาประมาณมาได้ตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจของพระของเรนรของนักปฏิบัติเราเท่านั้นเหรอเวลานี้คิดให้ดีนะนักปฏิบัติถ้าจะตักตวงเอามาผลนิพพานด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าอย่างจริงจังว่าพระพุทธเจ้ามมไม่ใช่องค์กรไม่ใช่ศาสดาปลอมเป็นศาสนาที่จริงแท้แน่นอนแน่นอนไม่สงสัยกิเลสเป็นของปลอมนะแล้วนี่เราเสกสรรกิเลสขึ้นมาให้เป็นของจริงนะ ธรรมะกลายเป็นของปลอมขึ้นไปขึ้นไปหมดซะแล้วเวลานี้จนจะไม่มีธรรมบทใดเข้ามาขัดแย้งเข้ามาต้านทานเข้ามาต่อสู้กับพิเดษพอที่จะเอาตัวของเรารอดไปได้ในวันหนึ่วหนึ่งให้มีความสงบเย็นแล้วนะมันจะมีตั้งแต่ปืนแต่ไฟเผาจิตเผาใจเราจะว่ายังไงผมก็ยิ่งอ่อนลงทุกวันทุกวันท่านทั้ ง, ง, งหลายก็ทราบอยู่แล้วลบหลีบจิตตัวไปนี่เพื่ออะไรแต่ก่อนผมก็ไม่ลบไม่รี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 นยังเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์โรคหัวใจกับโรคอะไรมันหอบที่มันบวกกันเข้าถึงเจ้าของกําหนดเองนู่นแล้วถ้าหากว่ายาไม่ถูกนี่ก็เป็นจริงจิงอ่ะปานนี้ไปแล้วไม่เหลือเพราะได้คิดได้คาดมาแล้วไม่เคยผิดนี่เรื่องท่าดเรื่องขันนองเจ้าของทุกเกิดขึ้นในเจ้าของในขันเจ้าของกลับกําหนดกันอยู่ต่อสู้กันอยู่ลําหรือยับยั้งกันอยู่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 นิดหน่อยเท่า น, นั้นนอกจากจะดูอากัปกิริยาหรืออาการที่เคลื่อนไหวไปมาเท่านั้นมันหนักขนาดนั้น ก, ก็เดี๋ยเป็นแล้วนี่ให้เห็นแล้วนะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยเป็นโรคหัวใจก็เคยเป็นมานานแม้จะว่าเป็นโรคที่ตายง่ายก็าตามแต่ก็พอทำเนาพอย้าย้งกันได้พอโรคอะไรพูดไม่ถูกแต่มันก็เป็นขึ้นม า, าชัดๆ อย่างที่ว่าเล่าให้ฟังเหมือนกับโรคหอบเหมือนกับโรคมันจะพาให้ชักให้สลบไปในขนาดนั้นโรคสะอึกหรือโรคอะไรพูดไม่ถูกแต่ไม่ใช่สะอึกเหมือนอย่างเราสะอึกนะพอมันเป็นขึ้นมาแล้วมันกรกระกรมันไปเลยสู้กันก็สู้นี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นโรคหัวใจผมนี่ได้ถึงเก้าสิก้าเปอร์เซ็นต ผมได้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า 99% ตั้งแต่ข่าวถ่ายท้องอยู่น้องผือนั่นถึง 99% ส่วนโรคหัวใจเพียง98เท่านั้นยังไม่ถึง99แต่คราวนี้ถึงแล้วนั่นจึงจะอดจึงอดไม่ได้ว่าที่เราปดไมาหน้าที่เราจะวิตกวิจาร์กับเราคําว่าวิจิวิจาร์กับเราก็คือกับหมู่กับคณะนั่นเองไม่ใช่อะไรคณะนี่เราใช้เพื่อหมู่เพื่อคณะเราไม่ได้ใช้เพื่อเราจึงได้วิจิตวิจารอ่าถ้าลงขนาดนี้แล้วเรานี่จะไม่เลยเจ็ดวันนะ จะต้องไปใน่ยเพราะมันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันล้างกันไว้ล้างไว้เมื่อมันเหลือกําลังแล้วมันต้องปล่อยแต่พรุทธิจ้ากันยังนี้ผ่านไปว่างเราหนูเพียงตัวหนึ่งเท่านั้นมันจะไปวิสุทธิโสเกิดพระพุทธเจ้ามาจากไหนพอที่จะค้าโลกอยู่ได้ไม่ต้องตายนี่ที่ว่ามันเก้าสิบเก้าเปอร์ซ็นมันเป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราทราบตั้งแต่โลกกันอื่นเก้าิเก้าเปอร์เซ็นต์โลกอันนี้พอมันห่อเข้าไปเต็มที่มันเหมือนกับมันทักไปเลย ชักประชักไปลมหายใจนั้นหมดขึ้นข้างบนหายไปข้างบนหมดเงียบนั่นเหลือแต่ความรู้เวทนาดับหมดเช่นเดียวกับที่ว่าถ่ายท้องถึงไอเจียนถ่ยนายท้องยี่บห้าหุนไอเจียนสองหนนั่นแหละดับหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเท่านั้นไม่มีปลายตากร่างขาวิญญาทุกส่วนเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนไม่มีความรู้สึกอะไรเวทนาลายดับหมด เหลือแต่ความรู้เท่านั้นนั่นเก้าถึเก้าเปอเซนตอันนี้ก็มาเป็นแล้วถ้าหากว่ายานี้ไม่ไม่ทันไม่ถูกกับยาหมอจีนนี่ต้องไปแน่ๆไม่สงสัยนี่ถึงพราะมันถึงเก้าถึเก้าเปรเซนแล้วเนื่องจากโรคไออัทิบาหอบเนี่ยเข้าไปบวกกับโรคหัวใจพอมันขึ้นถึงขีดแล้วลมห้ลมหายใจนี้ดับเงียบไปเลยมันเหลือตั้งแต่ความรู้ไม่ดับเหมืนที่ความรู้ยังไม่ออก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 ไมให้ออกบังคับไว้ในภายในตัวนี้ไม่นานนักก็ค่อยลมหายใจค่อยปางกดขึ้นมานิดนิดนิิดนินิดบังคับกันไว้ถุงนั้นไม่คิดไม่ปรุงปล่อยมันค่อยแสดงขึ้นมาตอนที่มันลมหมดลมหายใจนั่ น, น, นละเป็นเก้าสิเก้าเปรซ็นต์พอนานเขานานเข้าพอจนควรแล้วลมหายใจค่อยแสดงขึ้นมานั่นย้อนก็ม า, 98, 98าเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเวกเวทนา ความอ่อนเพียงทั้งหลายก็ค่อยปรากฏขึ้นพร้อมกันกับลมหายใจค่อยแสดงขึ้นมานี่นี่โลมหายใจนี่ได้ปรากฏถึงเก้าสิเก้าเปอร์เซ็นต์แสดงนี่มีก็ล้างไว้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อหมู่เพื่อคณะสำหพับผมเองผมไม่ได้แสดงอะไรเลยมไม่ได้คุยนี่พูดทำทุกบททุก บ, บาทผมไม่ได้มาโกาหกหมู่เพื่อนผมพูดเต็มอกเต็มใจพูดพูด ด้วยความจัดความจริงเจ้าของโดยไม่ต้องสงโดยไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็พูดดว้วยความเมตตาสงสารเพื่นอนเดี๋ยวควรจะตั้งออกตั้งใจไงให้ตั้งเอเวลาที่แนะนํางสอนอ ย, อยู่นี้ที่ฟังก็ฟังจะจริงจะจังขนาดไหนเอาตายแล้วมีใครสอนนี่นี่สอนไม่ได้คนตายแล้วเจ้าของก็ตายแล้วสอนไม่ได้คนใดก็ตามตายแล้วฟังไม่ได้สอนไม่ได้เหมือนกันนี่ก็คือความจริงอันหนึ่งมันเห็นจะท่าอยู่ให้ท่านในฐานนั่งเร ถ้ากิดไม่ได้อบรมทั่งสอนเจ้าของไม่ได้อบรมเจ้าของไปแล้วจะเป็นยังไงตายลงมาก็เหมือนหนูตัวนึงตายไม่เกิดประโยชน์อะไรอมนุษย์ก็ว่าเฉยให้ชื่อกอะไรมนุษย์มนุษย์ษยตายเฉยความมีสติแตกต่างความเป็นหลักเป็นเกณฑ์หาหลักเกณฑ์ไม่ได้มันเท่ากันกับสัตว์นั่นแหละถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมใครจะว่าดีว่าเลิศว่าประเสริฐก็ตามแต่มันมีแต่ลตมปากข้างนั้นแ่ะถ้าลงไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเจ้าขอ ง, ของให้ดีตามอัดตํามธรรมคนเราดีตามธรรม ดีด้วยทำดีด้วยการฝึกการฝนการอบรมจะดีมากปีน้อยดีด้วยเหตุนี้อาจจะดีด้วยชื่อด้วยเสียงด้วยกิตที่สับสนทีิคุณที่ล่ําลือกันลั่นไปเฉยนั่นเป็นลมปากมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแหละอืมแต่ว่ามันเป็นในภานจิตในใจฝึออกฝนอบรมเจ้าของให้มันจริงมันจังสิให้มันเห็นให้มันเรื่องตายเห็นตั้งแต่ยังไม่ตายรู้กลมายาของการตายให้มันรู้ ร, รู้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่จ ะ, ะทกสถานค่าลงรู้ขนาดนั้นแล้วตาก็ตายเถอะ อมีแต่เพียงว่าเปลี่ยนสภาพของธาตุของขันสลายตัวลงไปเท่านั้นธรรมชาติที่รู้ไม่มีอะไรเกี่ยวกัอะไรเกาะมันไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันอันนี้ไม่ใช่สมมติอันนี้มันจะมาเกี่ยวกับเกาะกันอะไรมีส่วนเกี่ยวกับเกาะมีส่วนข้องให้ได้ดีได้เสียใจดีใจเสียใจให้ได้ให้เสียต่อกันยังไงมันไม่มีถ้าลงถึงความบริสุทธิ์นล้วนท่านเรียกว่าวิมุติมุติมันเกี่ยวกับสมมติอะไรกันเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมุติเท่านั้นที่แสดงตัวที่ว่าได้ว่าเสียว่าล่มมาจมมาเป็นมาตาย ว่าทุกข์ว่ายากว่าลำบากทรมานอะไรล่านี้มันเรื่องสมมุติทั้งมวลเป็นเรื่องของขันแสดงตัวเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ด้วนๆแล้วมีอะไรมาแสดงนั่นนะพระพุทธเจ้าท่านทรงสมบัติอันนั้นนะสาวกอรหัตหลานท่านทรงสมบัติอันนั้นไว้ถ้าไม่ทรงโดยขี้หมูลาขี้หมาแห้งเต็มหัวใจเหมือนอย่างพวกเราซึ่งเต็มไปด้วยความขี้เกียจขีคลานจะชำระออกก็กลัวมันจะไม่พอกหัวใจอยู่นั้นตลอดไปก็ขี้เกียจนอนกอดกันนั้น ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยหังใจไปปฏิบัติด้วยทำมีอยู่สิ่งที่จะฟอกที่ชำระภาษาสาิ่งที่จะปราบสิ่งที่ชั่วชาว้าเราทั้งหลายมีอยู่ในศัจจธรรมอันเดียวกันนั่ะหัวใจเรานั้นน่ะเป็นที่รวมแห่งสัจธรรมทั้งสี่ทุกสมุทยัยนี่ตัวทําลายสมุทัยเป็นตัวก่อเหตุให้ทุกเกิดขึ้นมาทําลายมรรคเป็นตัวก่อเหตุให้ นิโรธเกิดขึ้นมาปราบทุกทั้งหลายใ้เรียบ่าไปจากกิตใจนี่มีกิริยาทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่ากิริยาค้ามบริสุทธิ์ไม่ใช่กิริยาคือจิตที่บริสุทธิ์ได้สอนมาเต็มกติกำลังควถามส า, าจารยทราบจะสอนอะไรอีกต่ทุกวันนี้เี่ในประกาศ ก็ได้แนะนําต่างสอนหมู่เพื่อนแล้อบรมอะไรที่ไหนเมืออ่อไหรดูสิอยู่แต่ลำพังอย่าขอมันก็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยหลบนู่นซ่อนนี่ไปซึ่งไม่เคยเป็นก็เป็นแนั่นีองที่ไหนพี่สะดวกสบายตามเรื่องอัธยาสายัยตามธาตุตามขันไม่มีอะไรกวนก็ไปเท่านั้นใช่ป่าวไงเขาสอนก็สอนมากต่อมากแล้วอยู่ได้ก็อยู่ไปมันหมายว่ามันไม่ไหวจริงๆก็สลัดขนาดเดียวเท่านั้นมันก็ยากอะไร ของนี้ไม่ใช่เป็นของยากดินน้ำลมไฟมันเป็นของมันอยู่แล้วยากมันอะไรหัวมันหาอะไร อ, อะไรเป็นความดิีความดีที่ใจเป็นสาระแก่สารนุงตนพยุงต น, น, น, นให้เข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองตื่ถึงความพ้นทุกข์นั่นแหละให้ขมักขะม้นให้อุตสาหพ ย, ยายามยามาถึงหัวหัวตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ข้านความ อ, อ่อนแอแท้ท้อแท้เหลวไหลนี้ซึ่งเคยแบกฝังจมมากับพบกับชาตกับจิตกับใจดวงหมุนเวียนนี้ตลอดเวลาอยู่แล้ว สงสัยมันอะไรว่ามันจะพาเราดีเราดีเราวิเศษวิสูอะไรจากสิ่งเหล่านี้นี่จะมันพาให้จมมาเรื่อยๆอย่างนี้ทําเท่านั้นที่จะพาคนหนึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อใครนี่นาที่กล่าวทุกเรื่องศาสนาองค์เอกศาสดาองค์เอก อ, อ, อยู่ในวงขันเนี่ยให้เห็นนี่ค่ชัดเลยเถอะไม่สงสัยสงสัยอะไรสงสัยพระพุทธเจ้า นี่ยเป็นเครื่องประกาศให้รูปป้พระริเจ้าให้เห็นพระริเจ้าให้เชื่อพระริเจ้าตรงนี้แ่ะสัตริย์ธรรมทั้งสี่นี่แหละเอาเรียนลงไปอยู่ในวงขันนี่เมื่อเห็นอันนี้รู้นี้แล้วจะไม่สงสัยว่าพระริเจ้าสันติติโกสันติติโกจะประกาศกังวานขึ้นมาที่นี่จนสุดฉีดของสันติติโกจะไม่นอกเนือไปจากนี้เลย นี่กำลังไลกันมามากเขามากทำเงินถึงสี่สิบกว่าตั้งอกตั้งใจคือปฏิบัตินะจะมาเลี้ยวไห ล, ห ล, หลให้หนักอกหนักใจไม่ว่าชาติชั้นวันหน้าใดแหละมันกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันอย่ามายึดมาถืออย่ามาสําคัญมั่นหมายว่าเป็นชาตินั้นสูงชาตินี้สูงชั้นนั้นสูงชั้นนี้สูงอย่าให้กิเลสมันหลอกไปนะอืมชาตินั้นสูงชั้น น, น, น, นะ น, น, นี้สูงยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตแล้ว จะก้าวขาไม่ออกมันหนักยศอืมันหนักความสําคัญนั่นแหละคือกิเลสหลอกคนให้รู้เอามันพังลงไปในหัวใจเป็นไงถ้ากิเลสทางหัวใจไม่เสกสรรมันก็วิเศษเองแ่ะมันวิเศษในหัวใจยาวิเศษด้วยควาําเปิดสําพัญยอถอมันเกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นแหละชาติไหนก็ชาติกิเลสบังคับหัวใจกิเลสพุ่มหอยที่หัวใจจะต้องได้แก้ได้ขายได้ถอดได้ถอน ด, ด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลามาถึงกันแล้วให้ สเพสตาอันวัตว์ตั้งหลายที่เป็นต้นทุกข์กดเจ็บเ็บตายให้มีความสนิทสนมกมคืนกันด้วยอัดด้วยทำด้วยเหตุด้วยผลซึ่งเป็นข้อขอัดข้อทำและจะอยู่ด้วยกันเป็นฐานสุดอยามามีเขี่ยวมีเขาเหมือนสุนัขมาเห่ามากัดกันใช่ไม่ได้ในวงศาสนาวงพระวงเนรวงผู้ปฏิบัติมาสแสดงอาการอย่างนี้เรวที่สุดเลยเรวที่สุดเราสลดสังเวยมากนะ เพราะงั้นลายใดที่ปากกขึ้นมาจึงไล่ออกเลยไม่อยู่พ้นทาไมเป็นอย่างนี้สอนยึงมาเต็มเม็ดเต็มหนวดสอนแทบล้มแทบตายพ้นเวลาแสดงมาทําไมมันเป็นอย่างนี้นี่มันน่าสรุปสองเมื่จะตายไปนะต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เนนสามเนนตั่นตังอยูนะ่ว่าไงไรู้เรื่องรู้แล้วบงังอะไรก็ไม่รู้เนี่ย